بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا h والسلام على ا i wal n wal salat w a و s a l a m u a ن ب ashrafin ambiya wal m ب r u s a l i n nabiyina m u h a ب ا a d i waala alihi wa s a h i b h ربيش ر ح ل ي صدري و ي س ر ي أملي و ح ل ن ق د ا م ن لساني يفقهه و ل ي Allahumma innana nasalukain man nafi'an ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين Allahumma fakhu في الدين وعليم الجايين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีเจาาลอสุบฮานอหัวตาลประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนกุตานทุกทกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลล วันนี้เราจะอ่านกันสุร์อัลอาลอฟอายะที่90นะครับยุสที่9แล้วนะแต่เริ่มอ่านฟติฮาก่อนนะอูดุบิลลหฮิมินัสเชีตานิรยิมบิสมิลลาฮิรลอฮ์มานีลอฮิม الحمد لله رب العالمين لل الع الر الرحمان الر الرحيم مالك يوم الدين อียังเคน عبد ุวอียังเคนอสต اعئ อิห์ดีนอส r ราตัลมุตสติมสิราตัลที่นเเอนงามตัลเเล่หิม غير المضوب عليهم ولا ضالين ال อาเมนอ ا ل มนอาบ آ บิ ن ะ ع و ذ ب น ل ل ه ช ن ا ل ش ي น ا ن ا ร ر ج ي م وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ل َ أ ِ ن ِ تَبَعْتُمْ ش ُ ع َ ي ب ً ا innakum idal khassirun فأخذت هم رج فت فأسبحو في دارهم جاثمين الَذِينَ كَذَبُوا ش ُ ع ي ب ً ا كَأَلَمْ يَغْنَوْ فِيهَا ال الذين كذبوا شعيب كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وَقَالَ يَا ق َ و ْ م ِ ل َ ق َ د ْ أ َ ب ْ ل َ غ ْ ت ُ ك ُ م ْ رِسَالَاتِ رَبِّ ي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ฟ้า كيفأس علىقومكافرين ฟ้า كيفأس علىقومكافرين อะมาดูความหมายนะครับต่อจากครั้งที่แล้วถึงชาวเมืองมัตยยันนะซึ่ง นบีช่วยนะครับก็เป็นหนึ่งในศาสนทูตที่อัลลอ์สุบฮานะหัวตาแลนั้นได้ส่งไปยังกลุ่มชนของพวกมัดยันซึ่งความเลวร้ายของกลุ่มชนนี้เนี่ยประการแรกเลยก็คือเขาสักการะสิ่งอื่นเอาสิ่งอื่นเนี่ยมาเป็นพระเจ้านะทูอ่ไปไปกราบไหว้สิ่งอื่น ไปอุปโลกสิ่งอื่นให้เป็นพระเจ้าซึ่งแน่นอนว่าน บ, บีชูฟก็จะต้องเรียกร้องให้เชิญชวนให้มีการเคารพอิบารดต่อร้อเพียงพระองค์เดียวประการต่อมาพวกนี้มีการคดโกงกันน บ, บีชูฟจึงสั่งใช้ให้ทำเวลาตวงเวลาช่างเนี่ยให้เต็มตาช่างอย่าให้ขาดอย่าให้พร่องประการที่สมกลุ่มชนพวกนี้มักจะปิดทางแล้วก็ปล้นสะดม ใครที่ผ่านทางม า, าไม่ใจ่ค่าคุ้มครองนะครับก็บีบบังคับให้เขาจ่ายโดยที่เขาไม่เต็มใจจะจ่ายาหรือถ้าเกิดมีเรื่องมากก็ยึดซะเลย น, นี่คือความเลวร้ายหรือพฤติกรรมของกลุ่มชนที่เมืองมาดยันและแน่นอนเมื่อนบีไปบอกไปเตือนพวกนี้ก็ปฏิเสธว่ก้อนละมัลละอุลเลดีนกะฟารูมินเกะมิฮี และบรรดาผู้นำนะผู้นำตรงนี้ก็หมายถึงผู้นำในเมืองเนี่ยที่เป็นหัวโจกนะอันนี้มันจะมีทุกทุกยุคทุกสมัยเลยนะหัวหน้าคนเลวอ่าหัวหน้าคนเลวคอยที่จะตัวตั้งตัวตีนะที่จะเป็นศัตรูของเราและบรรดาผู้นำที่ปฏิเสธศรัทธาจากกลุ่มชนของเขา และอีนิตตาบ้าตุ้มชัวไอบาอินเนกุมอีัคอซรุถ้าหากเจ้าปฏิบัติตามชัวเอฟแล้วแล่วก็แน่นอนเจ้าจะเป็นผู้ที่ขาดทุนทันทีอ้าวอาจารย์แล้วมันจะขาดทุนยังไงหมายถึงอย่างนี้ช่วยนบีชัเอฟเอาเรื่องที่มันชัดเลยนะนบีชัวเอฟ บ, บอกว่าให้เวลาชั่งตัวให้เต็มไอโมก่อนได้กําไรเนี่ยมันไม่ได้กําไรเฉพาะการขายเนี่ยมันก็ได้กําไรจากการโกงถูกไหม อ่ามันมีที่ภาคอ่าไม่ใช่ภาคแล้วที่จังหวัดหนึ่งแล้วกันไปซื้อตาช่างดิจิตอลหรือสักอย่างหนึ่งแหละมันมีแถบแม่เหล็กนะไอตาช่างตัวนี้ราคาเป็นแสนนะเป็นแสนนะเพราะว่ามันมีนกลไกเอาไว้รับซื้อยางจากชาวบ้านปรากฏว่าเจ้าหนึ่งเนี่ยเขาช่างกันทีหกสิบเจ็ดิบแปดสิบโลหรือเป็นร้อยโลขึ้นไปเนี่ยเขาได้ส่วนต่างเยอะมาก ทำอย่างเงี้ยมาเป็นเวลาสองสามปีอ่าไอ้แสนนึงนี่ก็จ่ายไปเนี่ยเขาอาจจะถอนทุนขึ้นได้ละอาจจะได้หลักเป็นล้านเลยก็ได้นะสุดท้ายก็ถูกจับได้ไอการได้กําไรแบบนี้เนี่ยมันเป็นการคดโกงนะอันต่อมาการปล้นสะดมก็เป็นที่ต้องห้ามอ่าปล้นนี่คือไม่ต้องใช้ตังค์ซื้อเลยนะพี่น้องยึดมาเลยพอนบีโชเอฟบอกว่าอย่าทำแบบนี้พวกกลุ่มพวกนั้นก็บอกเฮ้ยแล้วก็พอเราจะทํามาหา ก, กินกันยังไงเราเป็นนักเป็นโจรมาก่อน ระวังขาดทุนนะอย่างนี้เราก็คงไม่มีสตางค์กันแล้วแหละถ้าทำตามที่่วเอฟบอกฟาอะคอรัตฮูมุดรอจฟะตุฟาอัสบาฮูฟีดาริหิมเจสีมีนอายะที่เก้าสิบเอ็ดพูดถึงการลงโทษพวกที่ดื้อดึงนะในเมืองมาดยานบอกว่าและความสันไหวอย่างรุนแรงของแผ่นดินก็ได้ค่าชีวิตของพวกเขาอ่า และพวกเขาก็กลายเป็นผู้ที่คุกเข่าตายในบ้านของพวกเขาเองอัลลอฮุบฮานหัวตาลได้ทรงชี้แจงถึงความรุนแรงของพวกที่ปฏิเสธศรัทธาการดื้อดึงการดื้อรั้นของพวกเขาตลอดจนพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนในเรื่องสัจธรรมนะก็เมื่อกี้ที่บอกปนสะดมโกงตาช่างซึ่งในหนังสือเขาบอกว่ามันคือกำมลสนดาลเลย ขอมาอัพนะในนี้ใช้คำว่ากมลละสันดานคือเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในเบื้องลึกของพวกเขาไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้และมันดือ้อด้วยด้วยด้วยตัวของเขาอะนะทำให้พวกเขาเนี่ยกล่าวว่าพวกหาพวกเจ้าไปปฏิบัติตามที่ชูเอฟบอกพวกเราก็จะกลายเป็นผู้ที่ขาดทุนทันทีการลงโทษ ต, ตรงนี้เนี่ยมีอายะกุรอ่านในสุรฮูดมาบอก ด้วยนะครับบอกว่าวัลลัมมาจะอัมรุนานเจินาชุวไอบาและเมื่อบัญชาของเราได้มาถึงเราก็ได้ช่วยให้ชเวฟและบรรดาวัลลดีนาอาโมมาอาหูบิรห์มาติมมินนาและบรรดาผู้ที่รู้ที่ศรัทธาร่วมกับเขาให้รอดพ้นด้วยกับความเมตตาของเราวะอาคอยาติสลดีนาซอลาโมสอยฮะตุนะ และเสียงกระปนาตก็ได้ทำลายบรรดาผู้อาธรรมฟาสบาฮูฟีเดียริหิมญาซีมีนและพวกเขากระกายเป็นผู้ที่นอนพังนอนตายอยู่ในบ้านเดือนของพวกเขานะเออตรงนี้เองเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานหว์วตาลามีการลงโทษให้มีหมอกอันนี้ในตับซิดอธิบายต่อนะยังมีอายะอื่นอีก อัลลอฮ์ให้มีหมอกเมฆหมอกหนาทึบมาปกคลุมพวกเขาแล้วก็ให้พวกเขาเนี่ยมารวมตัวกันอยู่ในเมฆนี่ออกไหมคือสมมุตินะอากาศมันร้อนมากเลยอ่าอกาศร้อนมากอัลลอฮ์ก็ให้มีเมฆอยู่กลุ่มนึงซึ่งเป็นเมฆที่หนาสามารถที่จะบังแดดได้เวลาคนดาเวลาอยู่กลางทะเลทรายเวลาเห็นเงาเป็นไงก็มารวมตัวกันใต้ใต้ร่มเงาของเมฆ และพระองค์ก็ทรงให้ความร้อนเนี่ยพอมารวมกันเสร็จปุ๊บแทนที่มันจะอุ่นมันจะร่มกลายเป็นไม่ใช่อัลลอฮ์ให้ความร้อนเนี่ยแผดเผาเพวกเขาอีกเผาเลยนะเสร็จแล้วก็มีเสียงกัะ บ, บาดมาจากฟากฟ้านะหลังจากนั้นแผ่นดินที่เขาอยู่ก็สั่นไหวทั้งสองอย่างเลยนะเสียงแผ่นดินไหวความร้อนจากแดดที่เผาโอ้โหสามอาซาบ อ่าทรมานสามอย่างเลยจนกระทั่งพวกเขาเนี่ยตายกันแบบระเนรนาตหมดสิ้นนะตรงนี้เองพี่น้องครับอัลลอฮ์ได้กล่าวต่อในอายะที่เก้าสิบสองบอกว่าอัลลดีนะกซบูชวยบันกอัลละมยนาฟีฮบรรดาผู้ปฏิเสธช่วยอฟปันหนึ่งว่านนพวกเขาเนี่ยไม่เคยอยู่ในบ้านเนือ น, นี้มาก่อนเลยคือทำลายจนกระทั่งเหมือนกับไม่มีใครอยู่ เขาเด็กล้างเลยราบเป็นหน้ากองเลยนะทั้งๆนี่ตรงนี้เคยมีคนอาศัยอยู่แต่พอเวลาอโ ล, ลกวาดทีเดียวล้างทีเดียวนี่หายหมดเลยเหมือนกับที่นี่ไม่มีใครอยู่แล้ว บ, บรรดาผู้ปฏิเสธชุวยอก้กานูหู ม, มุนคอสีรูนพวกนี้ต่างหากที่ขาดทุนอันนี้ก็ไปย้อนคำพูดของพวกดืกอ้ออโ ล, ลที่บอกว่าคนที่ตามคนที่ปฏิบัติตามศาสนาเนี่ยพวกเนี้ยขาดทุน แทนที่จะเอาเวลาไปทํามหากินไอ้พวกนี้เดี๋ยวก็ละหมาดเดี๋ยวก็ละหมาดมันก็มีนะคนนี้เขามองเรื่องละหมาดเป็นเรื่องที่เสียเวลาเอาเวลาละหมาดเนี่ยไปไหไปทํามหากินดีกว่าเออหรือจะมานั่งเรียนกุฎอาหารเอาโลดเดี๋ยวก่อนแก่ค่อยเรียนบางคนคิดอย่างนั้นตอนหนุ่มๆเนี่ยไปไงไปทํามหากินให้เต็มที่ก่อนแล้วเราจะรู้ไหมเราจะได้แก่หรือเปล่าเราอาจจะตายก่อนก็ได้ดังนั้นพี่น้องภูมีมาทั้งหลายคําพูดแบบเนี้ย มันมีคนกลุ่มหนึ่งที่มองคนที่เคร่งคัดศา ส, สนาว่าขาดทุนดูสิพวกนี้มันดูเอาเวลามาอ่านกูอ่านดูสิเงินมันจะลงไหมเออเราเราไม่ได้อ่านกูอ่านทั้งวันอยู่แล้วพี่น้องเรามีอาชีพกันนะทํามาหากินสอ น, นก็ไปทํามาหากินอย่างพี่น้องไปทำมาหากินแต่เราแบ่งเวลาให้กับผู้ที่ให้ริสกีใช่ไหมอลัลลอฮ์เป็นผู้ให้ริสกีแต่เราไม่ให้เวลากับอลัลลอฮ์แล้วริสกีมันจะกลายเป็นริสกีที่มีความจำเริญได้อย่างไรอ่ะ อ่ากลายเป็นเงินที่ได้มาด้วยกับความโกรธิ้วเจ้าล้อสุบฮาณหัวตาลานะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่ในอายะนะเรื่องฟ้ามคนละอันกันอ่าอันนี้เป็นเป็นรองมานะอ่าเป็นฝนที่รองมานะครับอ้าวฝนมีทั้งอาสาบด้วยนะเช่นน้ำท่วมสบีนัวใช่ไหมอ่านั้นตกแบบท่วมหมดเลยอ้าวต่อมาฟ้าตะวลานหุมพี่น้องครับ อายา93เนี่ยจะเหมือนกับอายะที่ที่ก่อนหน้านี้ด้วยเวลาที่นบีไปสอนไปสอนไปสอนและสุดท้ายเขาปฏิเสธเนี่ยนบีเองก็จะต้องจากไปและเขาก็คือนบีชูเอฟก็หันออกไปจากพวกเขาฟะตวันลาตอนนี้ก็หมายถึงผินหน้าไม่รับแล้วเพราะอะไรล่ละเพราะมันดือ้อสอนไม่ไหวแล้ว นะว่ก็ลยยาเขามีล่ากดาบาลักตุกุมและกะกาวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันเทจริงฉันได้มาประกาศศารมาประกาศองค์การของอัลลอฮ์เรียบร้อยแล้วนะรีซาละติร็อบบีศารจากพระผู้อภิบาลของฉันแก่พวกเจ้าแล้วว่านาซอตุลลกุมและฉันก็ได้แนะนํานาซีฮัด ต, ตักเตือนพวกเจ้าแล้วฟะไกฟะอาสัลลาห์เขมินกาฟิริน ดังนั้นฉันจะเสียใจต่อกลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธาได้อย่างไรงงไหมคือเวลาที่เราทําอะไรแบบสุดความสามารถแล้วเนี่ยไอการที่เราจะมาโทษตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องละเราเนี่ยสอนลูกทําดีทุกอย่างแล้วแต่ลูกมันก็ดือด้อล่ละเกินเราจะมาตําหนิตัวเองว่าเราเนี่ยมันไม่ทําไม่ได้หรอกเราก็ต้องปล่อยวางว่าเราทําหน้าทีแล้วนะอันเนี้ยแต่ว่าความเสียใจเนี่ยผมว่าทุกคนอาจจะมีแหละ เพราะว่ามันก็ผูกพันกันเหมือนตัวอย่างของอับดุลลอห์บินอับดุลลอห์บินอุบายบินซันลูนที่เป็นลูกชายของหัวหน้ามุนาฟิกวันที่กลับมาจากบดนีมุสตาลิกเนี่ยอับดุลลอห์บินอับดุลลอห์บินอูบายบิซันลูซึ่งเป็นซอฮบ้านนบีเป็นลูกชายของหัวหน้ามุนาฟิกเนี่ยถือดาบรออยู่หน้าเมืองบอกว่านาบีถ้าสั่งมาว่าจะให้ฉันตัดหัวแล้วก็บอกมาเลยเพราะนี่คือศัตรูของเราพ่อนะแต่ สร้างความเสื่อมเสียมาใส่ร้ายทนายไงชาทําจีนาปั่นป่วนนะสใส่ร้ายอ่าใส่ร้ายว่านบีไปแต่งงานกับลูกอ่าลูกเลี้ยงไปเอาเอาภรรยาลูกเลี้ยงมาทํามาทำเมียสมออกมาปนะ่ะเนี่ยเป็นภาษาชาวบ้านใส่ร้ายใหญ่ๆด่างเลยมันมันทนเกินกว่าจะทนแล้วแต่นบีบอกปามาไว้ว่าอ่าปล่อยไว้ก่อนนะเพราะว่าการที่ท่านไปสังหารเนี่ยเดี๋ยวคนเขาจะไปบอกว่ามุฮัมมัดสังหารสาวกของเขา อ่าเพราะไอ้พวกนี้มันตลบตะแลงไงนะครับอ่ะนี่คือตัวอย่างว่าคนที่ทำสุดแล้วบอกกระยอะเตือนกับป๋าแล้วแต่ปลากับยังเป็นศัตรูเนี่ยสุดท้ายแล้วนะก็คือเรื่องระหว่างเขาก็รอที่จะต้องรับโทษแต่ตัวเราเองทำหน้าที่สุดแล้วหรือยังนี่คือคาถามถ้าเรายังทำไม่สุดเราโอดเราอาจจะโดนลงโทษไปด้วยในฐานะที่เราไม่ได้ตักไม่ได้เตือนไม่ได้บอกไม่ได้สอนนะครับอ่ะ อายะที่94และ95ว่า ن ม ا ف อ ي ق َสْนَฟٍกอรอติมมินน إ บ ل ิّ ا أ ล خ อ ذ ْนَา อิลล์อาข๊อดน์อาลาฮาบิลบาสัยวัด ا าร์َอْ ن ล ا أَهْلَهَا ب ِ ا, إ, أ, أ ل ْ ب บิْบَส ء ِ ทำดีละนะละอัลลอฮุมย um ah ัตดรออุนละอัลลอฮุมยัตดรออุนซุมมาบดดลนามะกานสัยอติลฮสนต ถอลสิว้ว่ากัลูว่ก <kaikki sessions> <Ky en costing> ็สบนอาร วَสัตรออกอ๋ว่ลูกาดมบ แตตัวว่ า, า, ามยไม่รู้สึกอามาดูความหมายนะครับว่ามาอาราซนาและเราม่ได้ส่งศาสนทูตคนใดไปในเมืองใดนะ อิลลาอาคอสนาอัลลาห์นอกจากเราได้ลงโทษชาวเมืองนั้นด้วยความแรงแคนและการเจ็บป่วยดอรอบะเสะก็คือความแรงแคนนะการอดการขาดการทำให้น้า ม, มันขาดกระแรงอาหารไม่มีนะไม่เพียงพอก็เป็นเป็นบททดสอบอย่างหนึง่งนะหรือวะดดอรอ การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยโรคระบาดเนี่ยมันเยอะนอะเวลาเป็นกันทีเนี่ยโอ้โหแทบจะไปไหนแทบไม่ได้นะหลายเล่าหุมยักด์รอูนเพื่อว่าพวกเขานั้นจะได้นอบ น, น้อมนะตัวอย่างที่เห็นชัดเจนมากที่สุดเลยโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์เรามีการหยิงยอโสโอหัง คิดว่าตัวเองแจ๋วสามารถกําหนดนู่นกําหนดนี่ได้เอาเราส่งโรคมาแป๊บเดียวนะร่วงเป็นตะกแตัแตนเลยร่วงกันหมดนะครับนะนั้นมนุษย์เนี่ย อ, อถ้าไม่ถูกอะไรเลยก็จะคิดว่าตัวเองเนี่ยแจ๋วไม่ไม่ซุด ไ, ไม่ต่อะไรมากนะคนเล่นกล้ามแข็งแรงก็จะคิดว่าตัวเองเนี่ยโอ้โหล้มคนน้นคนนี้ได้แต่ลองปอ่วยดูซะนั้นแหละโอ้เราก็ไม่เท่าไรนะเอ และไอาการที่โดนโดนบ้างเนี่ยมันเป็นการเตือนเราว่าเราก็คือบ่าวของอัลลอ์อย่าได้อวดเก่งอวดดีกับอัลลอฮ์หรือกว่าอวดเองกว่าดีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับให้เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะในตรงนี้เขาอธิบายว่าบททดสอบบรรดาประชาชาติก่อนๆอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาบอกให้ทราบเกี่ยวกับบททดสอบ ของประชาชนก่อนๆที่พระองค์ได้ส่งบรรดาศาสนะทูตมายังพวกเขาด้วยความแรงแค้นความเจ็บป่วยภัยพิบัติต่างๆจนเกิดเป็นโรคต่างๆเพื่อให้เขานั้นได้นอบน้อมและขอพรต่อลสุบฮานหัวตาลาอีกอันหนึ่งเราจะรู้สึกมีความสำรวมตนนะก็เป็นเรื่องที่จริงนะพี่น้องครับ เวลาที่เราโอ้ไหลหมดแล้วเวลาที่เราอยู่ในความทุกข์เราก็จะนึกถึงอัลลอฮ์มากกว่าสบายอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยอ่าปกติสมัยก่อนตอนที่ไม่มีโควิดดูองค์ดูอาออกจากบ้านเอยบิสมิลลาฮิรเราล า, ลายาดูรุปบางทีไม่ได้อ่านอะ่ะพอโควิดระบาดเท่านั้นแหละอัลลอฮ์กว่าจะออกจากบ้านได้นี่นั่งอ่านา น, า น, า น, นู่นอ่านนี่ ดูอาโอ้โหเยอะกว่าเพื่อนเลยเมื่อก่อนเป็นคนที่ดูอาบ้างมาดูอาบ้างแต่พอโรคมันมารอบบ้านแล้วนไอ้บ้านนั้นก็เป็นไอ้บ้านนู้นก็เป็ น, น, น, ก, ปนกลับมาถึงละหมาดขอดูอายาลลอขอให้โรคมันไม่เข้าไปที่บมันไม่มาที่บ้านฉันนะเออให้มันพ้นไปอาไม่ต้องอะไรมากขึ้นเครืงบินนะขึ้นเครืงบินนะครับสมัยก่อนนะมันก็เป็นความเสี่ยงความเสี่ยงกันะพี่น้องตอนมันตกลงมาเนี่ยส่วนใหญ่ดูข่าวแล้วไม่ค่อยรอด ล่าสุดในี่เก้าเก้าเก้าคนใช่ไหมสิบกว่าคนเครือบินเล็ก อ, ลอ่ะรอแล้วมันลงไปในดินได้ยังไงรูนรต้องตั้งสิบเมตรเอองงมากนะลงไปยังไงลงนี่สิบเมตรนี่ลึกมากเลยแต่ลงไปในดินสิบเมตร อ, อ๋ออย่างไรก็รอคอยรอนครับได้ครับแต่ว่ามันมันไขปริศนายากนะเพราะว่ามันมีของดําก็ไม่รู้ว่ามันเกิดยังไงนะเอาเป็นว่าเวลาที่มันเกิด อะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะนึกถึงอัลลอฮ์มากขึ้นเครื่องบินเนี่ยตอนท่านนั่งปกติไม่มีอะไรก็หลับบางคนกันหลับไม่พอเลยแต่พอเวลามันตกหลุมอากาศเท่านั้นแหละโอ้โหเลออีเลอให้อัลลอฮ์เลออีเลอให้อัลลอฮ์ใจแม่มูจจากันทั้งลํอาอไอ้ฟราดังเนี่ยอยู่ข้างๆบอกเอาให้ฉันด้วยนะขอให้ฉันด้วยนะฟราดังผมไปรุ่มขออะไรกันขอให้กูด้วยห่วเราก็ขอ นะขอทั้งหมดเลยให้รอทั้งหมดนะนี่แหละที่เป็นบอกเป็นบอกว่าบททดสอบต่างๆเจ็บโรคภัยไข้เจ็บเนะี่ยพัมให้เราได้กลับมาหวนนึกถึงตัวเองให้เราแล้ถึงนนึกถึงอัลลอฮ์กลายเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะภายหลังเราได้เปลี่ยนอัลลอฮ์บอกออแต่พวกเขากลับไม่ทําอย่างนั้นครับนะีคือเจอบททดสอบ แต่แทนที่จะ อ, อ่นอนน้อมถ่อมตนกับหญิงพยองยิ่งกว่าเดิมอลัลลอจึงลงโทษพวกเขาซุมมาบัดดั้นนามากานัสัยอาตินฮัสันะหลังจากนั้นภายหลังจากนั้นนะอลัลลอได้เปลี่ยนให้ความดีเนี่ยมาแทนความชั่วนะอลัลลอได้เปลี่ยน ให้ความดีนั้นมาแทนความชั่วจนกระทั่งพวกเขามีจานวนมากขึ้นอ่ามีจำนวนมากขึ้นและพวกเขาก็กล่าวว่าแท้จริงความเดือดร้อนและความสุขสบายดอล ะ, ะกับซรดะความเดือดร้อนกับความสบายตรงข้ามกันเลยนะแท้จริงไอ้ความเดือดร้อนและความสบายนั้นได้มาประสบแก่บรรพบุรุษของเรามาแล้ว มัสซาอาบาอาณาได้เคยมาประสบแก่บรรพบุรุษของเรามาแล้วเราจึงได้ฟาอคคนาหุ้มบัคตตาวาหุมเลยัชอูรูลนะเราจึงได้ลงโทษพวกเขาอย่างกระทันหันโดยที่พวกเขานั้นไม่รู้ตัวนะอันนี้ก็ย้อนความไปในสมัยก่อนว่าพวกนี้ก็เคยดือ้อเอาล้อและเอา ล, ล้อก็ลงโทษ ด, ดังนั้นเวลาที่เกิดสถานการณ์อะไรขึ้นก็นแล้วแต่เนี่ย ห้ามเด็ดขาดในการที่จะยิงยโสโอหังนะต้องน้อมน้อมถ่อมตนต้องอดทนนะครับดังที่มีฮะดีษได้บอกเอาไว้นะจะน้ำท่วมฝนตกภูเขาไฟระเบิดพายุนะใครในครอบครัวจดบททดสอบขนาดไหนก็แล้วแต่ให้อดทนสบัิอดทนอันจบัลลินมุมินลายุกอดีอัลลอฮละฮูกอดอัน เป็นที่น่าประหลาดใจสำหรับผู้ศรัทธาไม่ว่าอัลลอฮจะตัดสินตรงนี้หมายถึงกำหนดอะไรมาก็แล้วแต่ให้แก่เขาอินละกาณะคอยรอนละล้วนแต่เป็นความดีทั้งหมดว่า <Yeah. S 1> อินอัซอบัตฮุดดรอบรารอเวลามีเรื่องทุกข์ใจเรื่องลำบากใจ <Yeah. S 1> เขาก็จะอดทนก็เป็นความดีให้กับเขาว่าอินอัลซอบัตฮุดสรารอแต่ถ้าเกิดเป็นความสุขสบาย เขาก็จะขอบคุณอ ah ัลลอฮ์ฟาชากะรอชากรอฟาแกนอาคอยรันแหละก็เป็นความดีกับเขาทั้งหมดอิฮัดิสลิงบอกว่าเมาตุลฟาจาตินรอฮ์มัตุลลินมุขมินการตายอย่างกระทันหันนั้นถือว่าเป็นความเมตตาแก่ผู้ศรัทธานะวะอาคอุอาซาฟิลิลกาเฟตและก็เป็นความทุกข์แก่ผู้ปฏิเสธงงไหมตายแบบกะทันหันเนี่ย เป็นรอมไสําหรับคนที่ศรัท ธ, ธาคือแปลว่าเขาดีอยู่แล้วพร้อมตายเสมอพูดง่ายๆเป็นได้บุคคลสมมุติอันนี้คือลุดในในใ น, ในบ้านเราเนี่ยมีคนชั่วอยู่มีคนไม่มีคนชั่วอยู่ ม, ม, ม, ยมีคนดีอยู่ในมุกเกมเราก็ได้ตายกระทันหันหมดเลยในขึ้นครงบินลงไปตายหมดคนที่ดีและตายกระทันหันก็เป็นความดีเพราะว่าเขาได้รับการตอบแทนแล้ว แต่มันคือความทุกข์ของคนปฏิเสธคือมันไม่มีอะไรมาเตือนให้เขาต้องตระบาตาวตัวเลยถ้าป่วยซะหน่อยนอนแย่ซะหน่อยไอช่วงนั้นเขาอาจจะคิดได้ตบวัดตัวได้แต่นี่เอเลาะเอาแบบกระทันหันเลยก็ตายไปในสภาพที่เป็นคนชั่วคนเลวไงอ่าเข้าใจนะอ่านั้นการตายกระทันหันเนี่ยมันคือความดีของคนที่เป็นผู้ศรัทธาถ้าเราเป็นคนดีเราเราสุ่ยดีสุดเห็นกันหลักๆเนี่ยไอคนเนี่ยดีมากเลยวันหนึ่ง ไม่มีอะไรเตือนมาเลยเขาตายนั่นแหละเป็นความดีเข า, เ, ขาเพราะเขาเนี่ยจะป่วยจะเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ได้แต่ความดีอยู่แล้วเพราะเขาเขาไม่ปักเขาสบายเขาก็ทำความดีอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นการเป็นคนที่เป็นคนชั่วเนี่ยเท่ากับเอาล้อไม่เตือนเขาเลยนะเอาไปในสภาพนั้นเลยอ่านั้นการป่วยของคนที่ไม่ดีเนี่ยอาจจะเป็นข้อผ่อนปรนหรือลดบาปให้กับเขาด้วยเออนี้ ตายตายกระทันหันแต่คนสองกลุ่มคนละเรื่องเลยนะครับอ่ะเอลอ์บอกว่ า, าวะฟะอคอสนาหุมบักตะตาวะหุมลายัชอรูนนะและเราก็ได้การลงโทษแบบกระทันหันโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวนะครับก็กลับมาถึงฮะดีษบทเมื่อกี้นะฮะดีษบที่เรื่องมาหมุสติอ ม, ม, มอ่ะเดี๋ยวอ่านต่ออายะที่ 96, 97, 98, บหและเก و َาเลว์ ل ั่นอัลลอฮ์ละกราอามันวัตะล้วตั้งหน้า عليهم لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون อาฟาอามินะอัลกุรออัยยัติยฮุมบักَูนัยอัยยัติยฮุมบัก س ُ ن َ ا สุนัขใหญ่โตว่าขุนนิมมน อาว่ามีน่าฮุลุลควราอิย์ ب َ أ ْยُหุ ا เُสุน ا าَ ه ُ م ว ي หุม ع ยลُ و บَ แท้เอมินุมค์รัลลอฮَแท้เอม م น ك ม ر َร ل ل ลอ ه ِ فلايأ من ุ مك رالله إلا القوم الخاسرون ดูความหมายนะครับและหากว่าว่าเราและหากว่าอัลลุลกุรออัลลัณกุรออันนะอัลลัณกุรอและหากว่าชาวตําบลนั้นกุรอก็หมายถึงตําบลก็ได้นะครับอ่าเมืองหนึ่งมักกามักกามีชื่อหนึ่งชื่อว่าอุมมุลกุรออ่ามักกาเนี่ยมีชื่อหนึ่งชื่อว่าอุมมุนกุรอเนีเป็นเป็นเป็นเมือง เป็นแม่เมืองอ่ะเป็นแม่ของเมืองแปลว่าอะไรเป็นเมืองสําคัญอุมุนกุรอนะอ่าสําคัญไหมล่ะเวลาเราจะละหมาดก็ต้องหันหน้าไปที่กาบะเออเป็นเมืองที่ทุกคนเนี่ยจะต้องมุ่งไปอยู่แล้วไปทำฮัทไปทําอุมร้อไปไหนได้อะ่ะต้องไปมักกาอ่ออุมุนกุรอกุรอตรงนี้หมายถึงเมืองหมายถึงตําบลก็ได้และหากว่าชาวตําบล น, นั้น อามะนูได้ศรัทธาวัตเกาเล็กก็มีความยำเกรงแล้วไซและฟต้นาอะเลหิมบรอกาติ ม, มินาสซเมอิวอัลอรุปแน่นอนนี่ใช้คำว่าแน่นอนเลยลามเน้นย้ำเลยนะตะกิดเลยแน่นอนว่าเราก็คือเอาลอสุบฮาหนหัวตาลาจะเพิ่ม <c oughs> จะเปิดฟต้นาแปลว่าเปิด <c oughs> เปิด อะไรหิ้เปิดให้กับพวกเขาเปิดอะไรอะ่ะบรอกเกตเปิดความจำเริญนเปิดความเพิ่มพูนเปิดคุณค่าเปิดเปิดคุณค่ากันแหละคือคำว่าบรอกากเนี่ยพี่น้องมันมีสองคำอยู่ในตัวบรอกากตคำแรกคือเรเซียาดะเพิ่มจำนวนมันเพิ่มขึ้นอ่าบางคนยังสมัยก่อนเนี่ยเอาแพะมาคู่หนึ่ง เลี้ยงไปเลี้ยงมาโอ้โหมันออกลูกออกปุ๊บปุ๊ป๊๊ปแป๊บเดียวเต็มภูเขาไปเร็วเ น, นี่ยบรารักัดไม่ใช่เลี้ยงไป็นไงตายทั้งคู่เลยอันนี้ก็เรียบร้อยอ่ะเพิ่มชัดเจนเลยอีกอันหนึ่งแปลว่ากีมะกีมาแปลว่าใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดคุณค่ามีคุณค่านะหลายครั้งที่ซาฮบานาบีมีขนมปังแถวเดียว แต่กินกันได้ทั้งบ้านอเราเคยเจอไหมเรารู้สึกว่าเราหุงข้าวเนี่ยดูมันไม่พอเนะ่ยเออทําไมกินสองสามคำอิ่มแสดงว่าข้าวนั้นมีบราระกัดอ่ากับอีกที่หนึ่งหุงสองหม้อกินเท่าไรก็ไม่อิ่มแอบแสดงว่าหนึ่งขมเพาเราใหญ่ด้วยแหละอันที่สองก็คือข้าวนั้นอาจจะไม่มีไม่มบราระกัดนะเป็นไปได้นะ คือเอาละให้แบบไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวเลยเหมือนกับทนายไอชาที่ไปตักข้าวมาหูงทุกวันทำขนมปังคือข้าวเนี่ยมันเป็นข้าวสาลีข้าวอะไรเนี่ยแล้วออกมาบดมาบดเสร็จก็ทําเป็นอะไรเป็นแป้งแต่เดิมมันต้องเป็นข้าวก่อนแป้งข้าวเจ้าใช่ไหมข้าวเจ้าข้าวเอาข้าวมาเสร็จก็ตักข้าวมาเอามาบดทำขนมปังกินขนมปังกินหลังจากนบีวัฟาดไปแล้วเสียไปแล้วถุงเล็กเดียวเนี่ยถุงนิดเดียวเนี่ยเป็นปีตักเท่าไหร่ก็ไม่หมด ไปหมดตอนไหนรู้ไหมไปหมดตอนไปชะโงกดูไอตอนตักวะไม่รู้ตัวเลยตักไปเรื่อยแ ต, ต่ตรงกระแทกมันสงสัยว่าทำไมมันนานจังเลยปกติในถุงเนี่ยมันต้องหมดแล้วพอไปเบ์ดูอ้ามพูนหมดเนี่ยเอาละให้เด็กคุณค่าอา่บาบารักัดมีนัสแสมมอีวาลอัลและจะเพิ่มพูนจากฟากฟ้ า, า, าแล้วก็แผ่นดินวลกินแก๊สแ บ, บู และหากว่าเขาปฏิเสธศรัทธาแล้วละก็ฟอคอสนาหุ่มบีมาการูยักษี่บูนเราจะลงโทษพวกเขาเนื่องด้วยจากสิ่งที่พวกเขาขวนขวายเอาไว้อาฟาอามีนาอ า, อามีนานี่คำหนึง่งอาฟาเป็นการตั้งคำถามแล้วชาวตำบลจะปลอดภยัยอารุนกุรอชาวตำบล น, นั้นเนี่ยจะปลอดภัยกระนั้นหรือ เออยะตียะตี่ยไอยะตี่ยหุมบาสุนาบายาทวะหุมนาอวะหุมนาอีมูลคิดว่าชาวตําบล น, นั้นจะปลอดภัยจากการลงโทษกระนั้นหรือเมื่อการลงโทษมายังพวกเขาในเวลากลางคืนในเวลาที่เขากําลังนาอีมูลกําลังนอนหลับสบายเลยเอาล้อส่งอาดาบมาลมพายุมาทรง แผ่นดินไหวมาในตอนที่กำลังหลับกันมีความสุขอยู่เลยนะพออีกทีหนึ่งก็ระหายไปแล้วนะครับอาวาอามีนะ่หรือชาวตำบล น, นั้นคิดว่าจะปลอดภัยกันนั้นหรื อ, อเปลี่ยนแค่ตัววาวกับตัวฟ้านะอันบนเป็นฟ้าอาัลฟากับอาวาอามีนะ่ะอะลุลกูรอ หรือชาวตำบล น, นั้นคิดว่าจะปลอดภัยกันนั้นหรือจากการลงโทษของเราบะสุนาเวลาไหนดูฮาดูฮาก็คือเวลาสายวะฮุมยาลาบูนซึ่งเวลาสายเนี่ยพวกเขากำลังเล่นกันสนุกสนานเลยกำลังมีความสุขวัวเราะกันอยู่เลยนะทำงานตอนเชา้าเรียบร้อยแล้วก็พักผ่อนกาลังพักกันเลยกำลังเล่นกันอ่านะถ้าเป็น สมาชิกในบ้านกำลังเล่นกับลูกอยู่ก็อัลลอฮ์ก็ส่งนะอาซาบลงมาการลงโทษลงมาอาฟาอามีนูและพวกเขาคิดว่าจะปลอดภัยจากอุบายของอัลลอฮ์กันนั่นหรือออฟะลายะมานุมะกรานลออิลลเลกอมุลคาซีรูนไม่มีใครจะมั่นใจว่าปลอดภัยจะ อุบายขออล้อเว้นแต่คนที่ขาดทุนเท่านั้นแหละงงไหมคือวันหนึ่งที่เราคิดสมมุติเราทําไม่ดีเนี่ยเราคิดว่าหักลัวจังเลยกลัวว่าออลจะเก็บเก็บเราไปหรือเราไปโกงมาเนี่ยนะแล้วเรารู้สึกแย่จังเลยมันไม่รู้สึกไม่สบายใจเลยเดี๋ยววันหนึ่งเขาอาจออลอาจจะทำให้อย่างอื่นเนี่ยสินสูญเสียไปอีกไม่คุ้มกันเลยการคิดแบบเนี้ยคือคนที่คนที่ จะนําไปสู่การเตาบัตรตัวนะแต่ถ้าเราคิดอีกแบบหนึง่งโอ้ยเป็นไปเราวโกงโกงไปมันไม่รู้เราเออทําชั่วยังไงก็ได้อ่านะไว้ก่อนคอยเตาบัดตัวไว้ก่อนขอไปทำนั่นแหละกำลังขาดทุนเลย้ยเพราะฉันเคยบอกว่าไม่มีไม่มีมุกมินคนไหนที่ไม่กลัวการเป็นนิฟากคนที่เป็นมุกมินเนี่ยเขาจะกลัวการกับก่อกลัวการลงโทษกลัวอาดาบในกูโบ กลัวตายไปแล้วจะไม่มีสเสบียงไปหาล้อเนี่ยคนดีอาลามัตของคนดีแต่แต่คนไม่กลัวอาดาบเลยนะไม่กลัวบาปไม่กลัวเลยอันนั้นเน่คนที่ขาดทุนคนที่ชั่วนะครับอ่านี่ก็บอกนะอ่ะฮัสซันบัสรีบอกว่าผู้ศรัทธามุมินนั้นแม้จะปฏิบัติสิ่งที่เขารบพักดีต่อล้อแล้ ว, ลวเขาก็ยังมีความหวาดกลัวอยู่ เออแม้จะทั้งเรานี่ละหมาดดีทำตพัดยุดละหมาดวีเต็ศก็ยังกลัวนะพอแปลเรื่องอาสาบทีไรก็ยังขนลุกอยู่เนี่ยคือคือลักษณะคนดีในขณะคนชั่วนั้นมันมันจะกระทำความผิดมักจะกระทำความผิดฝ่าฝืนโดยรู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยออตรงกันข้าวนะทำบาปแต่รู้สึกว่าบาปไม่มาถึงกูหรอก อ, อ๋ อ, อยังไม่ลงโทษฉันหรอกไม่เป็นไรบาปต่อไปนี่แหละคนที่ เป็นคนชั่วเอ่อพราะจะรู้สึกปลอดภัยจากการลงโทษเจาล้อไม่ได้หมายความว่าไอ้คนทําชั่วเนี่ยจะรู้สึกตกตองข้ามนะกลายเป็นคนชั่วเนี่ยรู้สึกปลอดภัยงงไหมไอ้คนทําเขาความเคารพพักดีรู้สึกกลัวการลงโทษอ่อนี่มันเป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันเอแต่นี่คือจิตใต้สํานึกของคนดีเขาก็จะกลัวไปหมดเพราะเหตุใดกลัวเนี่ยเลยทำให้เขามุ่งมั่นในการทําอามันถูกไหมละ่พะพอกลัวปั๊บรู้สึกว่าตเสบียงเราไม่พอก็ทาทำท ำ, ทำบริจาคบริจาคบริจาคละหมาดละหมาด ถา ร, ารู้สึกว่ า, าปลอดภัยแล้วก็ไปทําแล้วอโอ้ยบุญฉันเยอะแล้วจ้ะพอแล้ว อ, อันตรายแล้วนะบวกบุญเยอะเดีย๋ยวผมอันตรายแล้วต้องรู้สึกว่าขาดอยู่ต้องทําให้เยอะๆเข้าไว้ทําให้ทําให้ดีเข้าไว้อายะที่หนึ่งร้ยครับเดี๋ยวอ่านนะอายะที่หนึ่งร้อยแล้วก็หนึ่งร้อยหนึ่งนะต่อเลย أوَلَمْ َ يَهْدِ ل ِ ل َّ ذ ِ ي ن َ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا ل َّ و h نشأ َ ص ا ب ن ا ه م بذنوبهم ُ วณัตวณัตต์บางเอาละ ه ุลْบَห์มฟะห์มลาย์ย์สมะَ ทิลกะอัลกุรอานกุศุอัลเลาะห์มิَนอัมบาอิฮะทิลกะ ن ั ق กุรอานกุศุอัลเลาะห์มิ่นอัมบาอิฮะว ق َลْ ج ก็เจ أتهم رسلهم بالبينات، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، فما كانوا ل ي มนุ่ม์ بما كذبوا من, من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأك ซาริ h i ن i n ahad وَمَا وَجَدْنَاكَ سارِيَمِنْ ع َ ه ْ د و َ إ ِ و َ وَجَدْنَاكَ كَثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ามาดูความหมายนะครับอายะที่หนึ่งร้อยแะครับอายะที่หนึ่งร้อยของสูรออัลอารอฟนะอัลลอฮ์บอกว่าอัวลัมยะดดิลิลลดีนะยาริซูนัลลอร์และก็ยังไม่ได้ประจักษ์แก่ผู้ที่ได้รับแผ่นดินสืบทอดหลังจากเจ้าดอกหรืออ่าคือกำลังจะบอกถึงยุคสมัยของท่านรอซูลสรลรอฮ์ฮุยไลวุสันลำ นะว่ากลุ่มชนก่อนหน้านี้ที่นบีที่อัลลอฮ์ได้เล่าให้ฟังในกุรานอ่ะสนุนกิซโซเรื่องราวที่ดีที่สุดก็คือเรื่องราวที่อยู่ในกุรานอยู่แล้วจำไหมเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ได้มาบอกเป็นอุทาหรณ์สอนใจณนะวันที่กุรานถูกประทานลงมาให้แกท่านนาบีเนะี่ยกลุ่มชนพวกนี้เนี่ยยังอยู่ไหมไปหมดแล้วถูกอัลลอฮ์จัดการหมดแล้ว แต่ที่ยังอยู่เลยเนี่ยก็คือพวกมุชลิกินแต่พวกเราเวลาอ่านอายะกุรอานนี้เนี่ยเราก็เป็นอุทาหอนสอนใจตั้งแต่รุ่นแรกจนกระทั่งยุคนบีด้วยนะครับบอกว่ายังไม่ได้ประจากแก่พวกเจ้าอีกหรือแผ่นดินที่สืบทอดกันมาเนี่ยอันลานาชออัสอาซบานาฮุมบิดูนบิหิมนะ หากเราประสงค์ที่จะลงโทษพวกเขาแล้วเราก็จะได้ให้มีภัยพิบัติแก่พวกเขาอคือตรงนี้เป็นการเตือนบอกว่าถ้าอัลลอ์ประสงค์ที่จะจัดการพวกเขาก็ไม่มีอะไรที่จะมาขวางพระองค์ได้คุณจะแข็งแรงขนาดไหนก็ร่วงได้อหมโดนมาหมดแล้วพวกอาร์ ตัวใหญ่ตัวโตสมตทแข็งแรงแข็งแกร่งผวมม่ได้ยันอ่าเกามุนรูดนะจะแข็งจะแกร่งขนาดไหนสุดท้ายเมื่อเอาล่อส่งการลงโทษมาพวกนี้ก็ไม่สามารถจะต้านทานได้ <c oughs> และสาเหตุละ่ะทำไมเอาล่อลงโทษมีสาเหตุไหมบีดูนูบิหิม สาเหตุก็เนื่องมาจากบาปที่พวกเขาได้ก่อไว้ไงอ่าดังนั้นการลงโทษคนที่ไม่ได้ทำบาปเป็นไปนไม่ได้นะที่อัลลอฮสุบายนหัวตาลาคราวนี้มันมีเรื่องหนึง่งนาบีเคยเล่าถึงกองคาราวานหนึ่งที่เดินทางมาเดินทางมา เออหรือกลุ่มทหารกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาจะทําไม่ดีที่เมืองมักกะแล้วอัลลอฮ์ก็ให้ธรณีเนี่ยสูบลงไปเลยอ่าท่านหญิงไอชารดีอัลลอฮวาห์ฮานฮาด้วยความที่นางฉลาดนะนางก็เลยถามท่านรดซูลว่ามันเป็นไปไม่ได้รอยกองเนี่ยที่มันมาเนี่ยมันจะเป็นคนชั่วทั้งหมดมันอาจจะเป็นคนที่ถูกเกณฑ์มาก็ได้บังคับมาไม่มาปั๊บเดี๋ยวลูกเมียมันอันตรายมันก็ต้องมาด้วยเหมือนกับทหารน่ะ ทหารเนี่ยบางคนเขาก็มาเดยกไปไปไปไปฆ่ า, าคนบริสุทธิ์หรอกแต่ถูกนายสั่งมาถ้าไม่ทํามันก็โดนบังคับมาอีกทีนึงหรือบางคนอาจจะไม่รู้เลยติดติดมาด้วยเป็นคนรับใช้แต่เจตนาก็คือไม่ได้ไม่ได้มาทําร้ายไม่ได้มาทําลายกาบาหรือว่าอะไรหรอกแต่เนื่องจากอาชีพของเขาเนี่ยทําให้เขาต้องติดสอยห้อยตามมาแล้วก็เป็นคนดีด้วยแต่ยังไงฉันถามเลยว่าคนเหล่านี้เนี่ย อัลลอฮ์จะให้ความยุติธรรมกับเขาอย่างไงในเมื่อเวลาโดนธรณีสูบเนี่ยมันสูบหมดไงไปละไปหมดเลยไม่ได้เว้นเลยอัลลอฮ์เอานาบีบอกว่าอัลลอฮ์จะพิจารณาตามเนียดของเขาเมื่อวันที่เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาใครเนียดอะไรก็โดนลงโทษแบบนั้นแต่ถ้าเราไม่ได้มีเนียดที่จะไปแต่ดันตกเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าติดถูกบงังคับไปหรือติดหอยสอยตามไปเนี่ยก็จะไม่เป็นปัญหาอะไร นะก็จะไม่โดนลงโทษเพราะเขาไม่ได้มีเจตนาจะไปทําแต่เนื่องจากถูกบังคับหรืออาจจะเพราะมาทําธุระบางอย่างที่มาเกี่ยวข้องกั บ, ก, บ, ก, บกับกับการไปทําความผิดนะครับนะแต่แน่นอนว่าในการลงโทษของชาวเมืองม่ได้ยันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอลัลลอฮฺจะให้คนที่ศรัทธานเนี่ยไปไงปลอดภยัยรอดแต่ในลักษณะของปัจจุบันนี้เนี่ยไอการลงโทษแบบเนี้ยมันมันจะมาแบบ เหมาวรวมหมดอ่าคือเวลาโดนโดนส s นามิกับ โ, โดนกวาดกันหมดเลยไอ้คนละหมาดก็โดนไอ้คนไม่ละหมาดก็โดนไปด้วยตายเหมือนกันแต่เวลาฟื้นคืนชีพต่างกันอ่าไม่เหมือนกันโดนแผ่นดินไหวโดนไปด้วยไอ้คนดีก็โดนไปด้ว ย, น, น, น, วยนะแต่พอเวลาฟื้นคืนชีพ ม, มาแต่ถ้าเป็นทำไมกามุนลูดทำไมเนี้ยเอาล้อช่วยเลยรอดเลยและลงเฉพาะคนที่เป็นศัตรูกับล้อเท่านั้น <c oughs> วันน <c oughs> ัตตบ่าวลากุลบิหิมฟะฮุมลาเยสมาอุนและอัลลอฮฺจะประทับตราหัวใจของเขาตาอะไรอตราความชั่วสิตาเรื่องของของการของอตากุฟวันนิฟักนะกุะฟวันนิฟกักตาในการ ปฏิเสธในการกลับกรอกนะตรงนี้เมื่อประทับตาไปแล้วถูกผนึกไปแล้วเนี่ยประทับตาหรือผนึกไปแล้วเนี่ยเวลาจะเตือนอะไรขอมาฟนะเวลาจะเตือนอะไรปับ๊บไม่เข้าหูเลยเพราะหูดนประทับไปแล้วเอาจิงไม่ได้ประทับหูประทับที่ใจพอประทับใจปั๊บหูก็ไม่เอาตาก็ไม่เอาเห็นแล้วมันขวางหูขวางตามีนะบางคนเห็นคนไปละหมาดมันรู้สึกมันไส้ถึงก็งง เป็นอะไรวะเห็นคนละหมันละหมันไส้มีแสดงว่าโดนประทับตาไปแล้วแต่เห็นคนทําความชั่วเนี่ยเออก็เขาท่าดีไว้เออแต่เห็นคนทําความดีแล้วมันไส้ฉันบอกแปลกแล้วนะเนี่ยอายากุรานนี้เข้านะเออเห็นคนทําความดีแล้วมันไส้เนี่ยเออมึงมาทําเข่งเบื่อมึงทาเข่งอะไรเงี้ยพวกนี้ก็คือวานาตะบ่าวาลาวานาตะบ่าวอัลละอัลเลกูลูบิหิมอัลลอฮฺประทับตรา ในหัวใจเขาแล้วแปลว่าเขาจะไม่รับอะไรแล้วสัจธรรมหูทวนลมนะต่อมาติลกะกุรอนาะกุสุอาลลิกะมินอัมบาอิฮาบันดาตาบุเหล่านั้นแหละเาลาบอกตาบุเหล่านั้นแหละเรากำลังเล่าให้เจ้าทราบถึงข่าวขาวของมัน เมืองใช่ไหมอ่าเมืองต่างๆเมืองมัตยันเมืองมีเมืองอะไรบ้างครับเยอะแยะเลยที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับสะดุมเออนึกออกลเมืองสะดุมสะ ด, ดุมกับพว ก, ก, กเกาบุน ล, ลูตมัตยันก็นดบีชวัวร์ไอพวกเมืองต่างๆเนี่ยกลุ่มชนพวกนี้เนี่ยอัลลอฮ์ได้เล่าให้ฟังแล้วก็บอกให้ทราบถึงข่าวข่าวก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้น อัลลอฮ์ได้จัดการไอ้พวกดื้อพวกนี้ไปหมดแล้ววะเราก็ด้จกอาฮุมรูซูลูฮุมบิลไบยีนัดและแท้จริงศาสนาทูตของพวกเขาได้นำหลักฐานอันชัดเจนมายังพวกเขาแล้วฟะมากานูลิยุมีนูบีมากรซบูมินกอบลแต่แล้วใช่ว่าเขาจะศรัทธาต่อสิ่งที่พวกเขาเคยปฏิเสธมาก่อนก็หาไม่อ่า และในทํานองนั้นแหละอัลลอฮ์จะทรงประทับตาในหัวใจของผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายนะมาดูคำอธิบายหลังจากที่อัลลอ์ได้เล่าให้นบีของพระองค์ก็คือนบีมุฮัมมัดสุลตาฮุในหัวซันดัมทราบถึงข่าวคร า, าวของนบีเริ่มต้นเลยนบีนัวคนแรกเลยนบีฮูดนบีซอลเลห์นบีลูดนบีชุห้าคน นบีนัวนบีฮูดนบีซอลเลห์นบีลูดนบีช่วยฟิฟนะส่วนนบีอาดัมเนี่ยนบีอาดัมไม่ได้ไปอไม่ได้ไปเจอกลุ่มคนที่ต้านนบีอาดัมไม่มีมีแต่ลูกดื้อแต่ว่าคนที่จะมาต้านไม่มีเพราะไม่มีตอนนั้นยังไม่มีเชริกอยู่แต่นบีนัวเนี่เจอแล้วเชริกแรกของโลกเกิดยุคนบีนัวฮูดซอลเลห์ลูดช่วยฟิซึ่ง พระ อ, องค์ได้ทรงทําให้ผู้ปฏิเสธศรัทธาพวกเนี้ประสบกับความพินาศไปแล้วและทรงให้ผู้ศรัทธามีชีวิตขอโทษดิและแล ะ, และทรงอ่ะถูกต้อและทรงให้ผู้ศรัทธามีชีวิตรอดปลอดภัยแล้วก็ทรงแจกแจงถึงสิ่งที่เป็นสัจธรรมด้วยหลักฐานอันชัดเจนผ่านบรรดารอศูนไปแล้วเพื่อไม่ให้บกเขามีข้ออ้างในการปฏิเสธดื้อดึงจะมาอ้างไม่ได้ว่าเอา ล, ล่ะไม่ได้ทรงอะไรมาไม่ได้บอกฉันไม่ได้ทรงมาหมดแล้วบอกหมดแล้ว พระองค์จึงถว่าว่าตำบลเหล่านั้นแหละเรากําลังเล่าให้เจ้าทราบโอ้โมฮัมหมัดถึงข่าวข่าวของมันหมายถึงเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองเหล่านั้นและแท้จริงนั้นบรรดาศาสนะทูบพวกเขาได้นําหลักฐานอันชัดเจนมาย้งพวกเขาคือหลักฐานอันชัดเจนที่ยืนยันความสัตย์จริงและความถูกต้องของสิ่งที่บรรดารอซูลได้นํามาแจ้งดังที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าว่ามากุนนา มัวดบีนะฮัตต่นาบาอสรอสูลและเราไม่ได้ลงโทษผู้ใดจนกว่าเราจะส่งศาสนาทูดลงมาก่อนและอะรายังตัดว่าได้เลยกับมินอัมบาอิลกูรอนะคุซูฮูอาเลยกับมินฮะกออิมุนวะมันคือส่วนหนึ่งจากเรื่องราวของตำบนต่างๆที่เราได้บอกเล่ามันแก็บพวกเจ้าส่วนหนึ่งของมันยังคงอยู่นะและส่วนหนึ่งก็เสื่อมทรมลงไป คือหมายถึงบางอย่างเนี่ยเมืองที่ถูกทําลายบางครั้งก็ไม่ปรากฏแล้วบนนี้บนโลกเราคือหายไปเลยบางอันก็ยังคงให้เห็นอยู่ใช่ไหมบางยังมีร่องรอยเมืองที่ถูกทําลายอยู่วามาโอลามนาฮุมวายเลกินโซลามูอันฟุเซหุมอัลลอฮ์ <Allah S 2> ไม่ได้อาธรรมต่อพวกเขาแต่พวกเขาตั้งหากที่อาธรรมกับตัวเองทําไมอ่ะเพราะอัลลอฮ์บอกแล้วไงส่งรอซูลมาบอกแล้วแต่เราไม่เชื่อเท่ากับเราอธรรมกับตัวเองใช่ไหมอ่า ต่อมาวะมาวะเจ ด, ดนาอารอบแล้วนะฮะที่สองอารอบที่ร้อย้อยสองและเราไม่พบว่ามีสัญญาณใดๆวะมาวะจ ด, ดนาลีอักซ์รีฮิมมินอัลและเราไม่พบว่ามีสัญญาณใดๆสำหรับส่วนมากในหมู่พวกเขาอ่าและแน่นอนเราได้พบว่าพวกเขานั้นส่วนมากเขานั้นเป็นคนละเมิดอ่าตรงนี้ มีการอธิบายนะครับบอกเอาไว้ว่าในฮะดิษบอว่าอินนีคอร์ละกตุเป็นฮะดิษกุดซีนะบอกว่าอัลลอ์เนี่ยสร้างบ่าวของพระองค์เนี่ยถ้าไม่มีอะไรม า, มาโน้มมาเอียงเนี่ยบ่าวคนนั้นจะเรียกว่าห ah ุณฟ้าคุณฟ้าหมายถึงบ่าวที่เที่ยงตรง อินนีขอล้วก็ตัวอาบดีโคนแหน่ฟอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาพื้นฐานเดียวกันหมดคือเป็นมนุษย์ที่มีความเที่ยงตรงก็คือการเคารพต่ออัลลอฮ์เพียงแค่องคเดียวอันนี้อยู่ในจิตสำนึกของมนุษย์อยู่แล้วแต่อย่างที่นําเรียนไปแล้วว่าพ่อแม่เนี่ยจะชักชูจะชชัวนออกไปนับถือตามความเชื่อของพ่อแม่พ่อแม่นับถืออะไรก็จะให้ลูกไปไงนับถือแบบนั้นด้วยซึ่งอันนี้ก็รวมถึงมุสลิมเราด้วยนะ อ่ามุสลิมเราก็ต้องบอกให้ลูกเราเชื่อเหมือนที่เราเชื่อศรัทธาเหมือนที่เราศรัทธาแต่ประเด็นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเราต้องสอนต้องให้ลูกเราเรียนไม่ใช่บังคับให้ลูกเราเชื่อเหมือนเราลูกทําไมอ่ามามาทำไมเออ า, ถ า, ถ, าถามนูถามนี่แต่เราไม่ต้องไปถามเชื่อไปเถอะไอ้เชื่อแบบนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายหลุดมาเยอะแล้วเรียนสามัญอย่างเดียวเลย ศา ส, สนาไม่ต้องเรียนแล้วศาสนาจะจะเอาจากไหนบอกเอาจากมะกับป๋าฉันเอาเอาเอาจากพ่อจากแม่เชื่อเหมือนที่พ่อแม่เชื่อเห็นไหมก็กลายเป็นเป็นเป็นศา ส, สนาแท่ผิวเปลือกนอกเท่านั้นเขาถามว่าเฮ้ยคุณเป็นมุสลิมพ่ออะไรอ๋อมะฉันเป็นอ่าและยอยอมไม่ได้เป็นแต่มะเป็นมีจริงๆนะมีสองมีลูกคนหนึ่งที่พ่อแม่เลิกกันพ่อแม่เลิกกัน พ่อเป็นมุสลิมแม่มาแต่งงานแล้วก็พอเลิกกันแม่ก็กลับเป็นศาสนาเดิมลูกอยู่กับแม่ก็ทำเหมือนแม่เลยกินหมดเลยมงหมูกิน ท, ทุกอย่างละมงละหมาดไปเอาพอมาอยู่กับพ่อใส่หมวกกับปิย์เดินไปกับพ่อแต่ไม่ได้ศรัทธาจริงหรอกแต่ทำตัวให้กลมคกลืนกับกับพ่อพ่อไปกินบุญก็ไปนั่งกินมัสมั น, เ, นเขาด้วยะละหมาดก็โกงเงยไปละหมาดไม่เป็นหรอก เขาบอกว่ามุสลิมเนี่ยมันเริ่มระบาดเกิดขึ้นในสังคมแล้วเขาได้มุสลิมสากลสากรยังไงอะ่ะเข้าได้หมดเขาเป็นสังคมไหนกูก็ไปกับเข้าได้พอมันมาอยู่กับมุสลิมก็ตีนเนียนมาอยู่กับมุสลิมเป็นแบบนี้ปนกันเละไปหมดเลยเขาถามว่าอา้าคุณเป็นมุสลิ ม, มเป็นเป็นเป็นเป็นยังไงอะ่ะตามพ่อพอไปอยู่อีสังคมนึ่งเฮ้ย hey, คุณนับสืบ อ, อะไรอ๋อฉันก็เป็นแบบนั้นแหละเอาเป็นพ่อเลยตามแม่อ่าวันไหนไม่รู้มีกี่ศาสนาไม่รู้ง ง, งไปหมดนะ อันนี้น่ากลัวนะเฟอร์จะอัจหุมุชชัยตอนแต่ชัยตอนเนี่ยมันดึงไปเฟอจะต่เฟอจะตาละหุมอันดีนีหิมดึงออกจากศาสนาที่เที่ยงตรงของเลาให้หันเหออกไปไปแนวทางอื่นนะและเมื่อมันได้พวกเขาหันเหไปแล้วเนี่ยมันก็ห้ามและมันก็ห้ามพวกเขาไม่ให้กระทําสิ่งที่ข่านุมัตแปลว่าสิ่งอะไรที่อัลลอฮ์บอกว่าฮารานนะ ก็จะไปไปตั้งนะกฎเกณฑ์ต่างๆเพราะบางศา ส, สนาบางศาสนาเนี่ยก็ไปตั้งกฎเกณฑ์ที่มันเพิ่มมากขึ้นเกินกว่าที่อิสลามได้บอกเอาไว้ทั้งๆที่เป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามเนี่ยอนุญาตอนุมัตินะครับวันก่อนผมไปดูคลิปแต่งงานของคนคริสเขาจะผ่านบัตหลวงนะพี่น้องรู้ไหมสัญญาที่บัตหลวงให้ทำเนี่ยก็คือ ต้องรักกันจนกว่าพี่น้องคิดว่าจนกว่าอะไรในสัญญาคริสตเขาบอกจนกว่าพระเยซูจะกลับมาโอ้โหแสดงว่าถ้าแต่งของคิดเนี่ยเลิกไม่ได้นะ่ะห้ามเลิกนะห้ามห้ามผิดสัญญาจนกว่าพระเยซูเขาเชื่อว่าพระเยซูจะกลับมาทีผ ม, ผมผมผมไม่รู้นะไอ้ไอ้รายละเอียดผมไม่ได้เป็นคริสต์สงฆ์ไปรู้อยู่แล้วแต่ไอ้คำนั้นผมฟังดูโอ้โหแสดงว่าห้ามเลิกเลยนะของเขานี่ยถ้าแต่งละห้ามเลิก แต่ฉันไปดูดิฟรองเลิกกันท่านนั้นฉันก็ง ง, งว่าตอนไปแต่งระบาบเลิกแลมวไปเลิกกันอด้วยเขาบอกด้วยกับเลยศักดิ์สิทธิ์ถึงสองสามสี่แล้วเขาจะพูดถึงสองสามสี่แล้วก็เลิกแต่ของมุสลิมเราเนี่ยถ้าอยู่กันได้ด้วยศา ส, สนาให้อยู่แต่ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ปล่อยนางไปเห็นไหมของของมุสลิมเราเนี่ยไม่ได้บอกว่าแต่งมาแล้วเลิกไม่ได้เลิกได้แต่ถ้าเลิกก็ต้องเลิกแบบดีนะไม่เลิกกันแบบเป็นศัตรูกันอ่าแล้วก็ไปอยู่กับคนที่ดีกว่า ไปหาสิ่งที่ดีกว่าแต่ถ้าอยู่ด้วยกันต้องอยู่บนมารูฟโดยอยู่กับความดีงามเนี่ยนี่คือพอเราไปเจอฟังอ๋อหูยของเขาห้ามเลิกเลยต้องมีอันเดียวแล้วไม่ต้องมีรักเดียวด้วยเหมือนนอกเงือกเลยนก น, ก, นกเงือกถ้าถ้าไปแต่งงานใหม่ไม่ได้แล้วมีคนใดคนเดียวอยู่กันไปตลอดแต่ความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่เลยคนละเรื่องอแต่ของมุสลิมเราเนี่ยจริงตามที่พูดแต่ แ, ตแรกเลยอยู่ด้วยกันบนมารูฟ เอาทัศเ ร, รียบีเอซานถ้าอยู่ไม่ได้ก็ต่างคนต่างไปเขาบอกไว้วันตอนตอนแต่งแล้วนะยันไม่ต้องไปตําหนิค น, นีนเขาเลิกกันเพราะว่าเขาอาจจะอยู่กันไม่ได้เดี๋ยวเขาไปทําข้อสองนะอายะที่หนึ่งร้อยสามนะครับสุดท้ายละนะเดี๋ยวเราเกินเอาไว้เรื่องของนบีที่จะกล่าวเรื่องที่นบีนบีไหนถูกกล่าวเยอะที่สุดในกุรานเนี่ยมูซาเนี่ย คือนบียูซุปเนี่ยเรื่องเดียวเลยจบแต่มูซานี่กระจายอยู่ไหลหมดไหลไหลสุรอมากและแต่และเรื่องนี้ยาวๆนะโอ้ยเยอะมากนะครับเรื่องของนบมีมูซาเป็นเรื่องที่มีมีกล่าวถึงมากที่สุดอ่ะเดี๋ยวเราอ่านอายะที่หนึ่งร้อยสามนะครับแล้วก็เดี๋ยเกิดเอาไว้แล้วก็ประมาณนี้นะ ทุมม์บั้นามิมบั้งดิมมูซาบีอายาติน่าไปลาฟิรอุนฟิรอุน รว่ามาเลย์ที่ฟาดลามบีฮะฟาด ا ามบีฮะฟาดล ف มบีฮะฟาด ا ามบีฮะฟดี มาดูความหมายนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยอีกหลายอาญาต า, าจะพูดถึงเรื่องราวของเฟรอานนะแต่เกิแต่ก่อนต้นเนี่ยอลัลลอ์บอกว่าซุมมาหลังจากนั้นนะซุ่มมหลังจากเราได้หลังจากหลังจากพวกเขาเนี่ยก็คือบรรดาศาสนทูตเหล่านั้นเนี่ยนะก็มีใครบ้างล่ะนัวฮูดซาเลห์ลูดชูอฟอัลลอฮ์ก็ส่ง อีกหนึ่งรอซูลมาก็คือนบีมูซาอะลฮิสสลามบียายาตีนาด้วยกับสัญญาณต่างๆนั่นหมายถึงมีมวยีศาสตนบีท่านอื่นเนี่ย อ, อย่างนาบีซอเล ก, ก็เป็นเป็นเรื่องมหัศจรรย์คือมีอูดออกมาจากเขาแต่ตัวของนบีที่จะเป็นเหมือนกับการแสดงให้เห็นมวยีศาสตเนี่ยนบีมูซาเนี่ยชัดเจนก็คือไม้เท้า กับมือที่มีพอล้วงเข้าไปในกระเป๋าพอออกมาก็เป็นสีขาวบร Mur ิสุทธิ์นะส่วนเรื่องราวก็จะมีทะเลแหวกกว่ากันไปเพื่อมายืนยันถึงการเป็นศูนย์นะและส่งไปที่ศ <c oughs> <c oughs> <começ encias> ัตรูที่มีอำนาจมากที่สุด ในขณะนั้นนะบนโลกเราเนี่ยถ้าจะพูดถึงคนที่มีอำนาจเยอะที่สุดก็ต้องบอกว่าฟาโรนี่แหละหรือว่าฟิราวนี่แหละนะดูยังไงอะ่ะก็ดูจากสิ่งที่ที่มันสร้างนี่ปีรามิดโอ้โหจะไม่เคยไปเห็นนะอ่าถ้าใครเคยไปเห็นก็นจะบอกว่าโอ้โหมันใหญ่โตมโหฬารขินก้อนหนึ่งเนี่ยสูงท่วมคนเลยแลวเรียงขึ้นไปสูงมากนะครับทรงมูซา นะและก็สัญญาณต่างๆของเราด้วยก็คือมีมวนยีสาและข้อยืนยันซึ่งฟิรเอวนั้นเป็นกษัตริย์ปกครองอิบในสมัยน บ, บีมูซาวะมาละอีฮีฟาดละมูบิฮา <c oughs> และบรรดาบุคคลชั้นนำของพวกขาวพวกเสนาบดีโหราจาร์คนที่อยู่ใกล้ชิดฟิรอูนเนี่ย ในกลุ่มชนก็บอกว่าฟารละมูบิฮาแต่พวกเขาก็ได้ปฏิเสธสัญญาณนั้นไม่ยอมเชื่อไม่ยอมรับและอ้างว่าสิ่งที่นบีมูซาแสดงนั้นเนี่ยเป็นเป็นอะไรเป็นมายากลเป็นเป็นไสยศาสตร์เป็นมายากลนะซึ่งเป็นมายากลที่ที่มีไสยศาสตร์ด้วยนะชื่อใช้ใช้ยินบางตาด้วยเออ เหตุที่ไม่รับเนี่ยเพราะมีความดื้อต่ออัลละดังที่อัลลอฮฺได้ตรัสเอาไว้ว่าฮะวาจาดฮดูบิฮาวัสวัสไตก่อเนตฮะอันฟุสะฮุมดุลมวะอวะอูลูวาฟันดุลกัยฟะกานะอากิบะตุลมุฟซิดีนและพวกเขาได้ปฏิเสธมันอย่างอายุติธรรมและเย่อหยิง ทั้งๆที่จิตใจของพวกเขานั้นเชื่อมันตาเนี่ยเห็ น, น เ, นะเน่ยเชื่อนะตาเน่ยเชื่อแต่ใจอ่ะไม่รับงงไหมเพราะว่าข้อชี้ตินจากตาเนี่ยมันชัดอยู่แล้วดังนั้นเจ้าจงดูเถิดว่าบ้านปลายของพวกเขาเป็นเช่นไรคือพวกเขาเนี่ยได้ขัดขวางทางขอรับปฏิเสธศาสนทูตของพระองค์นะแล้วก็เจ้าพิจารณาดูเถิดว่า เราได้ทำกับพวกเขาอย่างไรก็คืออัลลอฮ์ได้ให้พวกเขาเนี่ยจมน้ำตายไปต่อหน้าต่อตาของมูซาาและกลุ่มชนเลยนี่คือการลงโทษที่รุนแรงต่อฟิราอ์และกลุ่มชนของพวกเขาเป็นการปลอบใจท่านนบีมูฮัมมัดลต้อฮวาเลห์วัซนัลัมนบีเนี่ยเจออบูจะฮันนะซึ่งก็ถือว่าเป็นฟิโวนในสมัยนบีนะแต่ว่ามันไม่ได้มีอานาจ เมือกับฟิโตนสมัยมูซานะอันนั้นมันใหญ่เยอะกว่าแต่ก็ทําตัวหญิงยาโสโอหังเหมือนกันอ่ะอวดดีอวดใหญ่อวดโตเหมือนกันเอาละเล่าให้ฟังเพื่อเป็นการปลอบใจน บ, บีว่าศาสนทุดท่านอื่นๆก่อนหนะ้าเนี้มูฮัมหมัดโดนมาหมดแล้วอ่ะโดนหนักกว่าด้วยบางคนโดนเยอะด้วยนะครับจึงให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจและให้น บ, บีได้มีกําลังใจกับบรรดาผู้ศรัทธาที่ถูกกันแกล้งจากพวกมุชติกีน หลังจากนี้นะครับอายะที่ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกก็จะพูดถึงการโต้อตอบกันนะของนบีมูซากับฟิรูนนะครับและก็จะมีเรื่องของนักโมยีศาสที่ถูกกาวนะและก็มีเรื่องของนักมยากลที่มามาเลยนะมาสะแสดงกลนและสุดท้ายอัลลอ์สุบฮานะหัวตาและก็ให้งูของนบีมูซานี่ นาะกินในพวกนี้หมดเลยและสุดท้ายคนกลุ่มแรกที่ศรัทธาก็คือนักมยากลที่หามานันแหละและเขาก็ถูกลงโทษจาวล้อดโดยการตัดมือตัดแขนตัดมือตัดเท้าแล้วก็เอาไปตึงเอาไว้ที่ต้นอิสราห์ลำนะแต่เขาก็ไม่กลัวต่ออำนาจของมูซานะครับอ่ะเดี๋ยวเรื่องราวตรงนี้ก็จะมาอ่านกันต่ออิชอลล์ในสัปดาห์ต่อไปนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ให้เห็นถึงว่าคนสมัยก่อนเนี่ยโดนบท ลงโทษที่รุนแรงกว่านะหมายถึงก็โดนโดนทดสอบโดยการตัดมือตัดเท้าแบบสดๆนะครับท่านนางอาซิยะก็ถูกทับด้วยหินมาชิตอเอาลูกไปต้มในน้ำมันอย่างเงี้ยนะมูซานีนบีนฟิตอเนทำเรื่องไว้เลวซามมากหลายเรื่องนะครับที่ทำอรทรมานผู้ศรัทธาน ะ, ะประมาณนี้นะครับสุบานะก็ลอคุมาไปทำดกาัลลออิลาฮอิลลฮต้สตักฟิก้าวติไลอัสสลามอคุมมะราะมัตุลลอฮ์วะบารักัด